มนุ์สยภูมิถ้ามองว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากท้องพ่อท้องแม่แล้วสิ้นสุดที่ลงศพเช่นนั้นจะพูดว่าพวกเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้แล้วลืมสิ้นอย่างสูญเปล่าก็ได้หรือจะพูดว่าพวกเราเกิดมาเพื่อถูกลืมไปเฉยเฉยก็ได้ต่อเมื่อมองใหม่ว่า กรรมเก่าส่งเรามาเกิดในท้องพ่อท้องแม่และเรากำลังทำกรรมใหม่เพื่อสร้างทางตามแต่จะเลือกเช่นนี้การเกิดเป็นมนุษย์ค่อยดูมีความหมายมากกว่าเริ่มต้นจากความบังเอิญเพียงเพื่อไปสู่จุดจบที่ว่างเปล่าได้บ้างพุทธพจน์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 การก้าวล่วงสู่คันมนุษย์มีได้เพราะการประชุมแห่งเหตุ3ามประการพร้อมกันจะขาดเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ไม่ได้คือ 1. มารดาและบิดาในโลกมนุษย์นี้ร่วมกัน 2. มารดามีไข่สุก 3. มีสัตว์เข้าไปเกิดจากมหาตันหาสังขยาสูตรหากปราศจากวิญญาณอย่างลงในคันมารดา นามธรรมและรูปธรรมแห่งความเป็นมนุษย์ย่อมไม่อาจบังเกิดขึ้นได้จากมหานิทานสูตรชีวิตมนุษย์นับเริ่มจากวิญญาณแรกมาปรากฏในคันมารดาจนกระทั่งถึงมรณะจากตติยะปาราชิกสิขาบทความเป็นมนุษย์ย่อมไม่อาจาปรากฏด้วยกรรมที่เกิดแต่โลภะโทสะโมหะเลยจากปุณกะมานาวกะ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 วาจาและใจในบัทนี้จากกรรมสุในที่ที่กรรมเก่าผลผลเมื่อกลับมาเป็นมนุษย์โทษสถานเบาที่สุดสำหรับคนขี้อิจฉาริษยาคือด้อยศักดิ์ศรีสำหรับคนตั้งใจไม่ให้ทานกับนักบวชใดๆเลยคือยากจนสำหรับคนเย่อหญิ่งกระด้างขาดสัมมาคาระวะคือเกิดในสกุลต่ำสำหรับคนใจคอเยี่ยมโหด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 คือเสียงไม่น่าฟังสำหรับคนพูดเพอเจอไว้มากคือพูดจาไม่น่าเชื่อถือสำหรับคนดื่มน้ำมาไว้มากคือเป็นบ้าจากสัพพะหุสสูตรและจุลกรร ม, มวิพังคสูตรมุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์ในมุมมองของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนคนตาดี เห็นการเดินทางไกลของเหล่าคนตาบอดที่หลงกระเสซกกระเซิงในท่ามกลางเปลวแดดร้อนแรงไม่รู้ตัวว่ากำลังพลักจากที่ใดไปสู่ที่ใดโลกมนุษย์นี้เปรียบเหมือนใต้ร่มไม้ใหญ่อันเป็นที่พักกลางทางกันดานนับว่าสบายพอสมควรแล้วไม่ทุกขทรมานมากแล้วและหากพิจารณาว่าธรรมชาติของการหยั่งลงในคัน เป็นจริงดังเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสเราก็สามารถตอบคำถามชวนชะงนได้หมดทุกข้อเช่นภาวะการมีบุตรยากเกิดจากอะไรคำตอบสุดท้ายคือถ้าไม่มีสัตว์เหมาะจะมาเข้าท้องผู้หญิงต่อให้ฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยาพยายามจนตายก็ไม่มีทางสำเร็จลองคิดดูถ้าเชื่อว่าอสุจิกับไข่สุกมาเจอกัน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 มีความเครียดหรือเป็นไข้หวัดธรรมดาๆรรก็อาจทำให้ระบบฮอร์โมนเพศผิดปกติได้พูดง่ายๆฝ่ายชายน้ำยาไม่พอนอกจากนี้อาจมีกรณีทางสรีระอื่นๆของฝ่ายหญิงเช่นท่อนำไข่ตันมีพังผืดอยู่ในอุ้งเชิงกรานหรือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อยู่ในอุ้งเชิงกราน ก็ขัดขวางการปฏิสนธิระหว่างไข่กับตัวอสุจิหรือทำให้ไข่ที่ผสมแล้วไม่อาจฝังตัวที่ผนังมดลูกได้ด้วยวิธีอธิบายแบบแพทย์ทำานองเดียวกันดังกล่าวเราอาจได้คำตอบของภาวะมีบุตรยากไปต่างๆนานาแต่สถิติก็บอกเราว่าแม้กู้สมรสบางรายเต็มไปด้วยปัจจัยลบเช่นเครียดเก่งกินเหล้าสูบบุหรี่ทีบ่อย เขาก็มีลูกกันได้แถมมีได้เร็วเสยด้วยโดยเฉพาะตอนกำลังกลุ่มๆเรื่องเงินเรื่องทองไม่พอใช้อยู่นั่นเองอย่างนี้แปลว่าเห็นดีคำตอบทางการแพทย์จะยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเป็นแน่นับวันวิทยาศาสตร์ยิ่งยืนยันกับเราว่าแค่ธรรมชาติฝ่ายรูปธรรมอย่างเดียวไม่เพียงพอจะทำให้เกิดเด็กในท้องอย่างเช่นเทคโนโลยีทาเด็กหลอดแก้ว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 แล้วจึงค่อยลงมือให้พูดง่ายๆว่าเราเล็งกันที่จิตว่ามีความชุ่มชื่นด้วยน้ำใจเป็นตัวตั้งหรือเปล่าไม่ใช่แกล้งหยิบยื่นของให้คนอื่นด้วยจุดประสงค์แอบแฝงอย่างอื่นการแสดงออกถึงความมีเมตตาการุณาย่อมเป็นสัญญาณบอกเราว่ายังรักษามนุษยธรรมไว้ได้เมื่อมนุษยธรรมอยู่เป็นปกติ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 ไม่อยากทำบาปได้ก็มีสิทธิ์เข้าท้องมนุษย์ได้เช่นกันศีลมีอยู่ห้าข้อศีลที่เพียงพอต่อการเป็นมนุษย์นั้นนอกจากไม่ต้องการละเมิดยังอยากทำในทางตรงข้ามซะอีกคือหไม่ฆ่าสัตว์แต่อยากช่วยชีวิตเขา้วยซ้ํา 2. ไม่ลักทรัพย์แต่อยากให้เขามีเงินทองเพิ่มด้วยซ้ําม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 กรรมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเมื่อทราบแล้วว่าความเป็นมนุษย์ยืนพื้นอยู่บนมนุษยธรรมและมโนธรรมก็ย่อมทราบได้ว่ากรรมใดก็ตามที่เพิ่มพูนมนุษยธรรมและมโนธรรมกรรมนั้นก็จัดว่าเข้าขายสนับสนุนการมีโอกาสเข้าท้องมนุษย์ทั้งสิน้นหลักการที่ตัดสินได้ครอบคลุมคือต้องไม่ใช่กรรมที่ทาขณะมีโลภ โทสะหรือโมหะเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ของพระพุทธเจ้านี้ก็จะเห็นชัดว่าการทำสติให้เจริญขึ้นรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนขวนขวายรับใช้พ่อแม่และผู้ทรงศีลแบ่งความดีความชอบและเรื่องดีๆให้คนอื่นร่วมปลื้มไปกับคุณงามความดีของผู้อื่นหมั่นฟังธรรมะหัดสอนธรรมะตลอดจนดัดแปลงความเห็นผิด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 กรรมใดบ้างที่ทำให้มีจิตสำนึกแบบมนุษย์ก็จะมองย้อนกลับไปอนุมานได้เช่นกันว่าในอดีตเราเราท่านท่านต้องเคยทำกรรมอันสมควรกับการเป็นมนุษย์ไว้ก่อนไม่ใชจ่จู่ๆก็มีสิทธิ์มาเข้าท้องคนด้วยความบังเอิญแต่อย่างใดขอให้นึกถึงเหล่าสัตว์อย่างหมาแมวนกที่สั่งสมมนุษยธรรมได้เช่นไม่แก่งแย่งให้ตัวอื่นกินก่อน เลี้ยงลูกด้วยความปราณีอยู่ใกล้กับผู้ทรงศีลด้วยความเคารพแบบนี้ถ้ากรรมอันกื้อให้เป็นมนุษย์มีน้ำหนักมากพอก็มีสิทธิยานขึ้นมาเข้าท้องคนยกระดับตนเองได้เหมือนกันสวนทางกับมนุษย์หลายรายที่ประพฤติตนเป็นเหตุให้บันทรสำนึกผิดชอบชั่วดีลงไปทุกวันรวมน้ำหนักกรรมดำแล้วเกินพิกัดพื้นโลกมนุษย์แบกไว้ไม่ไหว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 ที่เลี้ยงลูกด้วยความทนุถนอมพูดกับลูกด้วยถ้อยคำสนะโสทยังผลให้ลูกโตขึ้นด้วยความมีแก่ใจอยากสุภาพเรียบร้อยไม่ต่างจากชาติที่ผ่านมาของตนนั่นเองและเมื่อคำนึงว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราจะเลิกหลงทะนงว่าโชควาสนาดีกว่าใครแบบลอยลอยและเราจะเลิกฟูมฟายในความเป็นคนโชคร้ายเพราะถูกแกล้ง เพราะไม่มีใครแกล้งเราแต่เราวางกับดักหรือขุดหลุมพรางล่อไว้เองยิ่งละเมิดศีลห้ามากขึ้นเท่าไรชำนาญงานบาปขึ้นแค่ไหนโชควาสนาก็ดิ่งลงเหวเคราะซ้ำกำํามสอนได้มากขึ้นเท่านั้นหน้าที่ที่กรรมผล็ดผล